นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อม ในการพัฒนาชีวิตพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะด้านจิตภาวนาโดย มองปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นศิษย์สําคัญ มีความสุขความเจริญขึ้นทุกระดับเพราะฉะนั้นปกติของวันสงกรานต์นี้จะมีการประชุมกันพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันทํากิจ เป็นผู้ที่ยินดีในความสงบสงัดแล้วก็มันพัฒนาจิตเสมอเสมอที่ยินดีในความสงบสงัดแล้ว ฉันพักทหารแล้วจะมีการทําวัดเช้ามีการสวดมนต์มีการ ฟังธรรมกถาตามสมควรกลางคืนเป็นปกติทุกคืนจะมีการประชุมหัวตั้งแต่ 200 น. น, นจนถึง ตลอดลุงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง อาหารกายมาถวายพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณรก็จะมีเรื่องของวาสนากายกับใจต้องพึ่งพาถึงกันและมีใจครองอยู่ภายในเราต้องใช้อาหารกายรวมยอดเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยทั้งหลายที่เราสวด เกี่ยวกับสังคายโยก็หมายถึงว่าพิจารณาในเรื่อง ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขยายตัวออกเป็นสิ่งสําคัญสําคัญมากของร่างกายแต่เมื่อจนไม่เข้าใจในเรื่องความสุขทางจิตไม่เข้าใจเรื่อง ก่อนจะร่วงรับดับขันเป็นเศรษฐีร่วมรับแล้วกลายเป็นผู้อนธาไปเพราะไป สังขารร่างกายนั้นเป็นส่วนอาศัยเพียงชั่วคราวเฉลี่ยประมาณ 100 ปี 100 ปีส่วน 90 80 70 นี้ลดหลั่นกันมาเป็นส่วน เรื่องของการบูชาพุทธะอย่างรำส่งด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นจะ แต่ไม่เห็นได้ตาเปล่าตาเปล่าเราเห็นแต่เพียงกายซึ่งประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟน่าจะเป็นธรรมดาของตนส่วนจิตใจนั้นเป็นนามธรรมได้แก่เวทนาความรู้สึกสัญญาความจําสังขารความคิดวิญญาณความรู้ 4 ตัวนี้เราไม่ แล้วก็มีความรู้สึกชอบไม่ชอบทุกข์สุขต่างๆเนี่ย 4 ตัวนี่แหละประมวลมาเป็นจิตตวิญญาณและจิตตวิญญาณนี้เราไม่ได้จากบิดามารดาแต่สืบมาจากชาติก่อนภพก่อนของโดยที่มีการพิจารณาว่าไม่ไผ่ต่างพ้องพี่น้องต่างใจจะเป็นพี่น้องกัน เอ่อความรู้สึกหรือคิดเรื่องความชอบหรือว่าเมื่อผล เราร่วงรับสัปขันธ์ในชาติกลางนี้ก็จุติมามาเกิดใหม่เค้าเรียกสันธิโดยที่มาจากส่วนสูงมาจาก เข้าหมดเวรหมดกรรมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่โดย คืออย่างขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอะไรต่างๆนั้นก็แสดงว่าเขามีวิชาชีพเพื่อจะ แล้วเมื่อทักทานก็จะมีการมาจึงเข้าใจในเรื่องของจิตใจวิธีการให้ และอาหารภายนอกก็มีทั้งของดีของปานกลางของแสลงเรื่องๆก็คือว่าเป็น คนใหญ่เรื่องอบายมุขสนใจในเรื่องการเบียดเบียนเอา เรื่องของอาหารกายก็หมดความหมายเมื่อหมดจิตใจมา เมื่อมีชาติก่อนแล้วมาชาตินี้ล่วงระดับขันธ์ไป เห็นว่าเรื่องไม่ดีนั้นเป็นความชั่วให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนส่วนความดีหรือบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ให้เราเกิดเรื่องจิตให้รู้จักควรทําละให้ผ่องใสอย่างโดยการที่ครูการละบาปก็เห การผิดทินทั้งหลายนั้นเป็นบาปให้เราพยายามเห็นโทษอะไรเป็นบุญกุศลนั้นก็เป็นการเรื่องตรงข้ามกับอภิชินเราไม่ข้าทัพพิดเราก็ต้องมีเมตตากรุณาเราไม่ลักขโมยก็ต้องมีการ ODDS स MV ของสัยนั่งก็เป็นการรวบยอดมาบําเพรน JIT พاؤษา นามีการสํากายสํารวมวาจาแล้วก็สําอย่างที่ก็เรียกว่า Soleil Ask frequency น долларов for a ก็เป็นควรที่สํารวมขาเมื่อนัด เพรём ที่มิหุยสองใครก็สํารวมวาจา เป็นการทวนกระแสเข้ามาภายในธรรมดาเราจะมีๆแล้วจิตใจเขาจะนี้เว้น ดำรงขาโดยท่าขาฝ่าทับขาซ้ายสํารวมมือมือขวาซ้ายตั้งกายตรงและปากดํารวมตาเพื่อว่าระยะนี้เราเรื่องอาหารกายเราใช้เวลาไม่ใช่น้อยร่างกายอาหารใจนั้นใจจะสมาธิขึ้นสงบขึ้น มีความอิ่มขึ้นมีความสุขมากขึ้นคราวส่วนที่อาศัยยืนยาวนั้นคืออริยทรัพย์ ล่อ jaar tractor. ถached吧. ประโลกน์. ของ presidente. Julia ไม่gamotar saula. ส่วนสูง Laura su dad h はいสุป need isoo r apartments. dzie Hitler's critique, ส่วนสูง Women's ม anniversary. โดg Should even be present. это debris о том. ลenee��. ทุกติ一定要ersion образrate supply. Gente daylight permite doing modern installation. spec인�hewqqs jye diapoi potassium. This is Wonder Kahit The third of the world. ใน ess Benghsild concept. ม.sk.tp have decided to spec ลังกายเป็นมนุษย์ตลอดไปจนกว่าจะหมดลมมนุษย์แต่ละคนนั้นยังแยกแล้วแต่ว่าถ้าเขาเหี้ยมโหดหรือมีสมัญญาว่ามนุษย์ เป็นมนุษย์กายจิตใจเป็นเดรัจฉานมนุสสเปโตอ่ามนุษย์สาเป็นสุรคายหรือมนุษย์วิไรมีไรติดโตเป็นมนุษย์กายจิตใจวิกลวิคานวิกล เสียสิ่งต่างในร่างกายแล้วเขาไม่รู้เขาทําลายจิตเขาให้ของคนผูกฆ่าไปสวรรค์ก็ได้แต่คนที่ฆ่าเขาเป็นเพราะนั้นเขายังของจิตความเลวไร้ของใจจิตก็จะ ทันทีด้วยพิษณข้อ 2 ชอบคดโกงชอบลาดบันหลวมเป็น เมื่อผู้ที่สําสอนทั้งเพศชอบไปหลวงเกินคู่ของคน เป็นปีศาจชั้นหนึ่งที่หวาดวายวุ่นวายในภพชอบเป็ดนั้นเขาคือนํายาเป็ดติดเด้อธุระยาเมานั้นมานทําลายสติปัญญา ผู้ที่เรียกว่าใจสูงแล้วอยากเป็น 5 อยากเป็นเทวนามเททิฏฐินาต้องมีบุญมากกับบาป 5 นั้นเมื่อเรา เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องรักษาพื้นฐานเราเป็นนุษย์อยู่แล้วเนี่ยควรจะรักษาสติปัญญาจิตใจตนเองเป็นนุษย์ให้สมตัวแล้วพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นโดยโดย ผู้นายใช้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเป็นการตั้งสมเสบียงบุญเอาไว้อยู่ในราชชาตินี้ก็มีเพื่อนสูงญาติมิตรมีคนรู้จักชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอบแทนไปบ้านไหนเมืองไหนก็เจอคนดีด้วยกันจะไปพบหน้าชันหน้าขึ้นชื่อความอดอยากยากแค้นก็จาง คนเหล่านั้นเรื่องของมนุษย์ก็มีภวะที่สูงส่งกษัตริย์แล้วควรรักษาความมนุษย์หรือทําบุญมากขึ้นเช่นเป็นรักษาศีลศีลรักษาและประสาตนเราให้เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนในโลกนี้ศีลทําให้อยู่เป็นสุขศีลทําให้ผึ่งพรอมในโภคทรัพย์ศีล จับปิดกั้นทุกข์ทุกข์ตราในโลกนี้ปิดกั้นอบายภูมิ เพื่อว่าเราจะได้มีการฝึกควบคุมจิตใจให้สงบโดยการเพียรเพ่งกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานนั้นมี เมอาถาเป็นมงกุฏกรรมฐานเป็นกรรมฐานคืองานพัฒนาจิตที่พระโพธิสัตว์ ที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตมากที่สุดเรื่องอาหาร ขาดได้อาจทําให้เจ็บป่วยหนักล้มลายเร็วแต่แม้กระนั้น นี่ลมออกพูดในเพียรเพ่งที่ลมใจเข้าออกไหนๆเราหายใจอย่างเดียวเนี่ยก็ กรรมกรรมนั้นแก่พุทโธพุทโธ แล้วก็มีสัญญากำกับว่านี่คือลมหายใจเข้าโอ๊ดนี่คือลม แม่ 2541 นั้นเป็นปีที่เศรษฐกิจกําลังตกต่ําอย่างแรงคนทุกข์ยาก ใจเอ๋ยใจหมายถึงใจเนี่ยสําคัญที่สุดในหลวงทรงแสดงประโยชน์ 13 ว่าหายใจยาวลมท้ายใจเหลือเสือมั้ยเพราะว่าเราลองทําตามในหลวงแนะนําหายใจยาวเช่นหายใจธรรมดา โดยใช้กรรมบริกรรมประกอบก็ได้ไม่ก็ประกอบก็ได้ออกโททุกครั้งที่เราจะยาวนี้สติสัญญะจะปรากฏ สติก็คืนมาทําให้ไม่เผลอสัญญะก็คืนมาประกอบด้วยสัญญะคือปัญญาเมื่อมีสติปัญญาใจที่หายก็ไม่หายแล้วคืน จะเป็นสื่อหมายถึงอุปสรรคน้อยใหญ่ก็ตามถ้าใจเราไม่ดีคุณหัวเศร้าหงอนหวินหวายก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขเมื่อใจสงบงดใจผ่องใสใจ หน้าที่วันนี้จะมีการภาวนาทุกคืนทุกคืนผู้ใดสนใจจะมาอยู่วงในเป็นภิกษุสำเณรเป็นมัชฌิภรรณีก็ได้หรือจะมาศึกษาเป็นครั้งคราวก็ตามโดยเฉพาะในวันนี้ก็ใกล้กับกำหนดที่จะเรื่องยุทธในการเฉลิมฉลองพระพุทธัง แต่การทรองเสริมพระเจดีนี้ยัง เรเราก็สามารถที่จะปฏิบัติบูชาได้ปฏิบัติบูชานั้นเป็นการที่เราจะน้อมทั้ง จากใจดีก็กลายเพียงเคารพนบนอบเค้า 4 แล้วบุญพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นความดีให้ผลแห่งความมี 10 ประการทาน 2 แล้ว 3 เป็นบุญตัวใหญ่ตัวย่อย เป็นการลดที่เทวนาอน้อมทําตนต่อผู้เจริญสิ่งเจริญแล้วมีวัยช่วยเหลือผู้อื่นได้แรงกายอย่างงานนี้จะมีผู้ร่วมมือกันทั้งภิกษุสําเณรจากต่างสํานักก็มีในสํานักนี้ก็มีจากญาติโยมพศบริการในวัดควีนอกวัดก็มียัง ต้องอาศัยความร่วมมือนั้นแม้ว่าเพียงร่วมมือช่วยเหลือไม่กี่กันน้อยใหญ่ก็ 24 25 พ.ศ. นั้น มีการทํานึกในคุณนั้นดลีทางพระก็มีการสวดมหากามนตรคุณให้พิจารณาๆแล้ว ถวายท่านดลีถวายผู้มีคุณทั้งหลายถวายไปยังทรัพย์ทรัพย์ทั่วไปเป็นอันว่าปฏิทานมัยบุญเกิดจากไปยังประชาชนทั้งหลายกว้างไกลทั้งผู้มีคุณทรัพย์ทรัพย์ทั่วไปเจ้าคณะบริเวณแห่งรักนี้เราทําประโยชน์ท่านท่านมีความโทษนาก็มีความสุข โมทนานอกจากนั้นแล้วแม้รามาวัดเนี่ยเห็นท่านทํากิจการต่างๆน้อยใหญ่ทําบุญศีลน้อยใหญ่แล้วเพียง เอาโปรดจะเมื่อยมั่งเอาตามทีแต่ เพราะว่าบางท่านบางคนก็ไม่สนใจ เป็นปกติวัดโกคารามแม้ตอนเช้าก็มีการอ่านวินัยหลังธรรมภัตต์เที่ยงตอนเย็นอ่านธรรมเกี่ยวกับกุมทรัพย์ของโอนรู้เจ้าแสดงไว้ดีแล้วต่อธรรมวัดเย็น ต่อไปก็เป็นถามเค้าเรียกธรรมเทศนาใหม่บุญก็จากการแสดงธรรมก็ได้บุญเหมือนกันไม่ว่าเราจะเป็นญาติโยม โลกบ้านเมืองเราก็จะวีนาทหุ่นวายแต่ศีลธรรมคืนมาแล้วตัวเราเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมทั่วไปลง แต่ถ้าเป็นคําสอนพุทธเจ้าเราถือพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูอย่างน้อยว่า แล้วก็เอาบทที่เรียกว่าสามัคคีติของท่านมาศึกษาก็จะได้ความว่าที่ทิฏฐุชุกรรมเป็นบุญเพราะสุดท้ายเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกตามทํานองธรรมคือเห็นว่าการให้ทานนั้นถึงจะเสียของแต่ก็ ให้บุคคลเช่นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ๆบูชาพระธรรมบูชาพระสุจดีเนี่ยบูชาสิ่งดีเรื่องผู้ไม่ ละที่อื่นก็มีหลายลัทธิที่ว่ามีการบวงสรวงเส้นว่า เขาเรียกว่าการแผ่บุญกุศลนั้นเป็นของที่มีผลจริงตนเองก็ได้บุญ ไม่ว่าท่านจะเลี้ยงดูเราหรือไม่ท่านจะ แม่อวทานจะอยู่ก็ตามลูกรับตอบแทนก็ตามนั้นลึกซึ้งเมื่อเราท่านอยู่ในตัวเราแล้วก็ต้องทําหรือกตัญญูตอบแทนคุณท่านมารดาบิดามี ถ้าที่สามารถถัดมาก็มีโลกนี้ก็ ท่านแสดงว่ามีโลกหน้าแล้วเราเตรียมตะเบียนที่เป็นโลกิทรัพย์ไว้ยังบุญมาถึงไอทรัพย์ทั้งหลายมีทานมีศีลภาวนา ใจที่มีความปิติมีความถูกทั้งด้านให้ทานก็ติดตามเราไปให้ความสุข ปัญญาให้เกิดความรู้ยิ่งเป็นนิเวศนานั้นจะมีนั้นสถานอื่นไม่มีสมาธิพอว่าพุทธะนานี้ให้เรานั้นเราจะนํา เป็นของจริงที่พระตรัสแสดงไว้แล้วเราไม่เชื่อตอนนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าไปเชื่อเอาตอนตายแล้วมันสายเกินไปเราไม่เชื่อทําคําดีไว้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเชื่อด้วยทําคําดีด้วยก็ยิ่งจะดีเพราะวันหนึ่งเราภาวนานิพพุตโดยตัวเองในก็ได้ถ้ายังไม่ การเชื่อพุทธเจ้านี้ให้ผลเราไปถึงโลกหน้าจริงๆเพราะเมื่อเชื่อแล้วเราก็ต้องเว้นบาปทำเพบุญทำดีทางปองสายนอกจากนั้นเห็นได้ว่าเรื่องผีสางเทวดานั้นเป็นปัญหาในโลกเถียงกันไม่จบวิธีแก้ปัญหาในเรื่องสิ่งที่เราไม่รู้ชัด ในส่วนที่พิจารณาจากคติอื่นยังลัทธิที่เค้า จิตเหมียวจราังตรงนี้แหละเทวโลกพรหมโลกคือจิตที่ผ่องใส กายเนื้อเป็นเดชานนะส่วนต่ํากว่านั้นก็เป็นปริเหตุสุรกายตาลกที่มีกายทิพย์ฉะนั้นที่เรียกว่าหน้าตาทางกาย อันนี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงรับแล้วเราเพียงมีหน้าที่ด้วยจิตภาวนาบางท่านนั้นคนก็โชคดีเจอผีทั้งเทวดาหลอกแล้วและเรื่องเหล่าเนี้ยทางโลกก็มีผู้ยืนยันที่เชื่อถือได้อย่างยติยกตัวอย่างทั้งอย่างนั้นว่าแม้ในเรื่องผี ตนเองเป็นมหาเล็กใกล้ชิดพระชานิ 6 ชื่อพระมหาเทพประดับสมุทนายเคยหาอากาศทูลถามอ่าพระที่ว่าเป็นลมหูดเข้าหัวเนี่ยว่าในโลกนี้มีผีสังเทวดาไม่พะยักท่านบอกว่าทั้งโลกทั้งวิสารเค้าไม่มีแต่ข้า อ่าที่มังเขียนแนะนําก็ดีที่ท่านทรงแสดงดีท่านว่าตามประสบการณ์ของแล้วก็ทั้งโลกหลายอย่างก็มีเรื่องราวเล่า จึงเป็นประโยชน์ตอนเราที่จะไม่ขนขวายแต่หาเงินนาทรอย่างเดียวต้องหาบุนด้วยโรงไทยคิดเรียกว่าเห็นว่าสหรือผู้ที่ภาวจนเกิดยานศนะสามารโลกนี้ลงหน้าไหนอย่างไม่อยู่โดยเพราะครุปอาจารย์เขาเรา ที่เหนือกว่าพระธรรมดาหลายองค์โดย ผู้มีญาณชนะรู้โลกหน้าโลกโลกนั้นไม่ใช่ร้องไหลเมื่อตนใจอย่างนี้แล้วท่านก็ไม่ให้เราเชื่อ 100% แต่ให้เราพิสูจน์การปฏิบัติบูชานั้นสรุปว่าหมายสนักนี้เรื่องพิธีตองที่ชุมนุมการทําความดีของพุทธชนหรือ สาธุชนทั่วไปทําความดีร่วมกันก็ต้องมีพิธีดีหรือทํากิจกรรมของเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมทุกครั้งๆลงท้าย พิธีกรรมเป็นเปลือกศาสนาจริยธรรมเป็นกะพีเป็นจิตเหล่านั้นเป็นแก่นเป็นสาระอุปสารนั้นเราทั้งหลายเมื่อมาร่วมกันในวันนี้หลายวันมาแล้วนั้นที่ได้เข้าใจ ไปบัดบูชาเป็นส่วนตนของตนถ้าใครสามารถทําละจิต ให้สิ้นเกิรติปัญหาได้ก็จะ รัฐศึกษาประวัติท่านจากบันทึกทางหา ขอจงมา